มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาทุติยวัคปรินิพานะปัญหาที่สี่ถามว่า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 ดูราณะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐท่านที่ไม่เกิดอีกนั้นสเสวยแต่กายยิ ก, กะทุกอันประกอบในกายมิได้สเสวยเจตสิกะทุกข์ขอถวายพระพรพระเจ้ากรุงมิลินปินประชากรถามว่าอย่างไรเรียกว่าทุกประกอบในกายอย่างไรเรียกว่าทุกประกอบในเจตสิกพระนาคเสษ็จจริงวิสัญาว่ามหาราช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 จึงเสวยทุกข์สำหรับกายให้อาภาษเจ็บไข้และต้องบาดเซียนหนามยอกนั้นท่านก็ได้เสวยทุกข์อันเจ็บปวดในกายขอถวายพระพรที่ท่านไม่เสวยทุกข์อันประกอบในเจตสิกนั้นคือเหตุปัจจัยที่แต่งจิตเจตสิกดับแล้วไม่มีโลโพโทโศโมโหกิเลสตัณหากิเลสตัณหาไม่ได้มีเหตุดังนั้น ทุกในจิตเจตสิกจึงไม่มีมีแต่ทุกขอันประกอบในกายขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีจึงมีพระราชะองค์การซักว่าข้าแต่พระนาคเสนผู้เป็นเจ้าถ้าแม้นว่าพระอรหันตาขีนาศพเจ้ามีทุกขเกิดในกายอยู่กรณีเหตุไรจึงจะได้ไปนิพพานพระนาคเษนถวายพระพรว่า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 ท่านก็เข้าสู่พระนิพพานนั่นแหละขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินภูมิินทราธิบดีได้ฟังพระน้าเกษวิสัชนาชนี้ก็มีน้ําพระไทัยหันสาทรงพระโสมนัสมีพระราชะองค์การตรัสว่ากันโลสิพระผู้เป็นเจ้ากล่าววิสัชนานี้สมควรนี่กะไรสิ้นวิมัติสงสัยของโยมในการบัดนี้ ปริญิพานปัญหาเป็นคำรบสีจบเท่านี้